ด้วยความเคารพ ป, ประจานขนาดทรงทุกรุโดยความเคารพอาจริร์ทาญาติชมเดินทางมาถึงตอนที่หนึ่งเมื่อคืนหลังจากที่ให้ไปทาหน้าที่ก็เรียกภาษาว่า ไปสร้างบารมีบารมีในโลกในมีสองอย่างบารมีธรรมกับบารมีสังคมอย่างที่พวกเราปฏิบัติอยู่นี้ก็เรียกว่าบารมีธรรมบารมีธรรมก็เดินตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าแต่เอาธรรมเป็นที่ตั้งเพื่อขัดเกาวขูดเกา ไปสู่ความบริสุทธิ์มารมีสังคมเป็นเรื่องของโลกโลกนี้สมมุติอะไรไว้มากมายบางสมมุติไม่ทําตามก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่เราก็ต้องแยกให้ออกว่าสมมุติโลกสมมุติเขาสมมุติเราปฏิบัติทำไปแล้วเราจะแยกได้ นนสมมุติโลกสมมุติเขาสมมุติเราแล้วก็ในรัฐนามพระอาจารย์ได้เปิดคอร์สเล็กๆสำหรับผู้สนใจในช่วงนี้ก็ญาติโยมก็บอกจะมากันเยอ ะ, ะก็เห็นฝากข้อความไว้ที่โทรศัพท์ว่ามาไม่ได้ mm hmm. เขาคิดว่าเป็นเรื่องง่ายมั้ง เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องของคนทั่วไปไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไปตามกระแสนักภาวนาทุกวันเนี่ยต้องไปตามคำโฆษณาปรโตโขสะภาษาพระให้ต้องโฆษณาว่าพระอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีผู้วิเศษ ผู้มีชื่อเสียงสอนคนเขาได้พ้นระดับนั้นระดับนี้มีคนยอมรับมากมายมีออกทีวีออกสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงเชียร์ก็จะไปตามนั้นในส่วนหนึ่งตามสมมุติโลกที่เขาสมมุติกันแต่รูปแบบอย่างที่นี่เนี่ยตั้งใจไว้ าวางแผนไว้ว่าท้าที่นี่ถ้าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสร้างสำนักแล้วโดยไม่ต้องมีคอร์สมีคนเดินเข้ามาปฏิบัตินคนสองคนไม่ขาดนั่นแหละถือว่าความสำเร็จคอร์สนึงก็คือประกาศแล้วคนถึงมามเชิญชวนชักชวนกัน ก็ได้กราบเรียนถวายพระอาจารย์นะว่าได้แค่นี้ก็พอแล้วคือเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องของคนมากมายเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่จะต้องทำให้รู้ให้จริงต้องชัดเจนแจ่มแจ้งให้คนเดียวซ้อนอยู่คนเดียวภาวนากันอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องมากมาย <c oughs> เพื่อถ่ายรูปหาชื่อเสียงอะไรนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั่นเดินทางไปก็เจอชาวพุทธทั้งจีนไทยสรุปแล้วชาวพุทธของเราก็มีอยู่สามประเภทไม่ว่าไปที่ไต้หวันที่ไทยที่ ในที่ที่เขานิมนต์ไปก็พบว่าชาวพุทธของเรามีอยู่สามสายสายหนึ่งก็คือสายอภินิหารสายอภินิหารก็คือสายแห่งความคลังความศักดิ์สิทธิ์ดลบรนณานประทานพร อ, อ, อ, อ, อ้อนวอนเอาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่พึ่ง โดยมีความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะมีฤทธิ์มีเดชเป็นปฏิหารช่วยดลประทานปันดานพอให้ตนเองเกิดทรัพย์เกิดความสุขเกิดความสำเร็จค้าขายดีในชาวพูดส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในสายอภินิหารมากมากมากมายสายที่สองก็คือสายปัญญา สายปัญญาก็คือวางเรื่องอพิธิหารทั้งหมดทั้งมวลลงเอาธรรมะเป็นปาฏิหารเห็นธรรมะเท่านั้นเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณจะมีความสุขได้ก็ต้องพระธรรมก็ลงมือปฏิบัติกันศึกษากันในส่วนของปัญญาล้วนๆสายที่สามนี่คือสายเสียแล้ว ต <c oughs> ายเสร็จแล้วหมดสิทธิ์ช่วยเลยพินิหารก็ไม่เอาปัญญาเขาไม่เอาไม่เชื่อสายที่สามส่วนมากจะเป็นผู้ชายาจะเป็นโยมผู้ชายส่วนมากชายส่วนมากจะเป็นโยมผู้ชายประกาศไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่า ในแต่และสำนักที่เปิดภาวนาผู้ชายอย่างมากก็สองสองคน น, นี่มีคนหนึ่งลงมาได้ยังไงไม่รู้ทุกที่ถามพอาจารย์ได้พอาจารย์ไปจัดคอสทั่วประเทศไทยทุกคอสผู้ชายก็นับได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นโยมผู้หญิง <c oughs> ไม่เอา ไม่เอาไม่พอเขาแถมปฏิเสธอีกปฏิเสธอีกนั้นนั่นแหละเา้าพุทธทีนี้ทั้งสามสายนั่นก็คือหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยทั้งสามสายเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์จะไม่ได้ปฏิเสธว่าสายอภินิหารคุณผิดทางสาย ปัญญาคุณผิดทางสายเสียแล้วคุณหมดหวังครูบาอาจารย์จะไม่ดูมองข้ามตั้งสามสายสายในพิหารก็หาวิธีการวันนีเ้เหมือนไก่มาหาเราให้เสื้อผ้าไม่ได้ก็ให้เข้าเปลือกก่อนค่อยขยับเลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นไปจากขั้นนี้ก็เพิ่มเป็นขั้นหนึ่ง เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้ความสามารถอย่างสูงสุดหนที่สายนี้เพื่อให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือแก่นสารสาระทีนี้สายปัญญาก็ต้องช่วยปรับเพื่อให้เห็นปัญญาที่แท้จรงิงทีนี้สายปัญญาเนี่ยมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบไปตำหนิสายอภินิหารชอบไปตำหนิ ในสายปัญญาด้วยกันสายปัญญาสายนี้ผิดทางสายปัญญาสายนี้ผิดทางนะเป็นอย่างนั้นนั่นน่ยคือโลกงั้นเราก็ต้องแยกให้ออกโลกส่วนโลกเขาส่วนเขาเราส่วนเราดงนั้นชาวพุทธทั้งสามสายนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราทั้งหลายได้มาร่วมปฏิบัติกัน คนคนหนึ่งก็สามารถช่วยช่วยโลกได้อย่างป้าจารนก็รูปเดียวจากพระธรรมดาจากโยมคนหนึ่งแล้วเข้ามาบวชเข้ามาบวชก็ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติจนได้ผลแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันจากคนคนหนึ่งมาสู่การปฏิบัติแล้วได้ผลก็ ช่วยกันช่วยกัน น, นั้นอนโมธนาที่ทุกคนได้มาปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็นะเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามแบบไหนก็ต้องมอบศรัทธานั้นแก่สายนั้นวิธีการนั้นให้มากตัวศรัทธาเป็นตัวสําคัญมากถ้าไม่เชื่อในครูบาจารย์ ไม่เชื่อในหลวงพ่อดี่เดกแล้วก็จบหมดเลยไม่ต้องพูดอะไรกันต้องเชื่อต้อง เ, อเชื่อว่าท่านจะต้องให้ความรู้เราได้น่ะแค่นั้นเชื่อว่าท่านต้องให้ความรู้ต้องมีอะไรดีเราจะเอาสิ่งที่ดีๆจากท่านฝากความเชื่อไเพียรวิริย ะ, ะความเพียรพยายามจต้องเพียรปฏิบัติ ตั้งใจจริงสติก็ต้องฝึกให้ถูกต้องตามวิธีการด้วยเพราะการฝึกสติก็มีหลายแบบทางไหนที่เป็นทางที่ฝึกแล้วได้ผลเพราะบางอย่างฝึกแล้วก็ต้องต้องเกิดผลพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่าไม้ชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำ สีให้ตายก็ไม่เกิดไฟสองชุ่มด้วยยางตั้งอยู่ไกลน้ำมาสีก็ยังไม่เกิดไฟสามไม้แห้งสนิทตั้งอยู่ไกลน้ำสีก็เกิดไฟไอตัวเกิดไฟนั้นก็คือการการสีก็คือการฝึกสตินั่นเองถ้าบางทีมันมันมีตัวล็อก ทำให้การฝึกสตินั้นไม่เกิดสติก็ไม่เกิดเป็นอุปทานเกิดเป็นตันหาเกิดเป็นความอยากเกิดเป็นความหลงเกิดเป็นทิฏฐิอะไรหลายอย่างนั้นเราก็โชคดีที่พระอาจารย์คอยแก้แก้ตัวการฝึกนั้นสมาธิแค่ไหนที่จาเป็นที่สุดเราก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้ ปัญญาตัวไหนที่จะต้องหยิบยกมาพิจารณาให้เราทั้งประสงค์ทั้งญาติโยมเราก็จะได้มาปฏิบัติโดยการเรียนรู้ซึ่งผชาอาจารย์ได้บอกแล้วว่าเราจะมาวิเคราะห์พิจารณาแก้ปัญหาในในกลุ่มของการปฏิบัติในวิธีการปฏิบัติ อะไรหลายหลายอย่าง <c oughs> จึงซึ่งหลวงพ่อจะต้องเดินทางไปจัดคอร์สปฏิบัติเอกหลายที่จริงๆที่นี่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการยังไม่พร้อมเอ า, าจริงจริงแล้วมันต้องอาคารต้องเสร็จเียบร้อยมังเอิญ <c oughs> ไม่อยู่ถึงสี่เดือนทิ้งงานไปเลยทำให้ทุกอย่างต้องลาช้า <c oughs> นั้นก็สิ่งที่ในวันนี้ที่เราศึกษาเรียนรู้ก็เพื่อพรุ่งนี้นะจะได้ออกดอกออกผลกันไปอืมออกดอกออกผลกันไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกนันใน ต่อไปก็จะได้ถวายเวลาพระอาจารย์ได้จะได้ไม่เสียเวลาเอาเวลาจะว่าจะว่าน้อยก็น้อยจะว่ามากก็มากมจะได้ว่าดันั้นทั้งคนเก่าทั้งโยมที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้วเราก็จะได้มาปรับมันไม่เรื่องการภาวนาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการสิ้นสุด เพราะว่าตัวบ่อปัญญาเนี่ยตัวมไม่ใช่ไม่ใช่บ่อแต่ว่าเป็นบ่อน้ำผุดธรรมชาติเมื่อที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาเกิดวิธีการเกิดแสงสว่างนะจนไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนช่วยนะทั้งคำพูด ทั้งวิธีการมันจะปรับของมันไปสู่ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอันเราก็ต้องมาศึกษากันไปเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ประชุมคณะสงฆ์ก็คณะสงฆ์ทุกเจ้าวาดก็จะมาพอเสร็จแล้วเจ้าวาดทุกวัดก็จะมาคุยกันเรื่องการสอนภาวนา เรื่องการทำงานศาสนาที่นี่จะเป็นศูนย์กลางก็มีหลายงานที่คณะสงฆ์องค์กรสมัชชามัชชาจะได้ดำเนินการเพื่อว <c oughs> างแผนในการทำงานคุยกันให้ชัดเจนให้จบ ในช่วงนี้ก็จะได้ถวายเวลาท่านก็ถามนิดเลยที่ประชุมสงฆ์เลยพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติตัวนานาในการยังไงบ้างครับก็การประชุมในปีนี้ก็ผมก็นำเสนอในที่ประชุมว่าต่อไปก็ให้ทุกวัดได้นำโยมมาให้ให้รวมกลุ่ม การปฏิบัติเทรวัตรว่าเทรวัตเนี่ยก็ไม่มีสถานที่อำนวยความสะดวกก็ให้ทุกวัดได้รวมสมาชิกของตนแล้วก็แจ้งมาทางนี้แล้วก็พาญาติโยมมาปฏิบัติสิบวันยี่สิบวันนะโดยทางวัดให้จะสอนเองก็ได้จะให้ทางวัดช่วยสอนหาครูบาอาจารย์มาให้ก็ได้ ก็แล้วแต่เราก็จะถวายอำนวยความสะดวกกับทุกวัดก็นำเสนอที่ประชุมไปอย่างนั้นเห็นว่าทุกวันนี้ทุกที่ทุกทางก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องพวกนี้พูดถึงแต่เรื่องเงินอย่างนโยบาย เขาเวลาเขาประชุมกันก็จะพูดเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินสองเรื่องศรัทธาของปัญหาของการทำงานสามก็เรื่องนการที่จะหาศรัทธาได้ยังไงทุกวันนี้ที่ประชุมทุกที่เข้าไปก็ก็พูดกันในเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องนี้วางแผนเป็นเรื่องนี้นเราคือก็ได้แจ้งเนเรียนในที่ประชุมทราบว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเราคิดช้าทำช้าก็ได้ผลน้อยได้ผลน้อยดันั้นก็จะมีสัมมนากันครบสี่สิบปีของสมัชชา เป็นสัมมนาเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรื่องงานของสมัชชาทิศทางของสมัชชาที่บอชตันเดือนหน้า 24-25 จะเป็นการมาประชุ ม, ส, มสัมมนากันเพื่อว่าว่าสมัชชาน40ปีนะครับครับกจัด เอาทุกเครื่องไปสรุปการทํางานการเผยแพร่ทุกอย่างจะไปสรุปที่นั่นที่ท่านเสนอบอกว่าให้แต่ละวัดรวบรวมระยะยมกุณายะวัฒนายาปฏิบัตินั้นมีการสอบสนองด้วยการเปรยไปเฉยๆก็ก็ถวายไว้แต่ไว้ไม่ไม่เป็นบทสรุปอะไรแต่ว่ากราบเรียนไว้ว่า ณวันนี้เราทำงานมาถึงตรงนี้แล้วเป้าหมายของเราเพื่อไปถึงตรงนั้นนะอยากให้ตกวัดใจในเริ่มทิศทางทิศทางใหม่พวกเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันกันนานกันยาวเพราะว่า <c oughs> บางที่บางทางยังยังไม่คิดกันเลยยังไม่เริ่มคิดยังไม่เริ่มทำ เป็นอย่างนั้นบางวัดก็ยังทะเลาะกันอยู่ยังมีปัญหากันอยู่ยังทำอะไรไม่ได้คือตัวนี้มันมันน้อยทุกวันสังคมทุกวัดก็น้อยก็เข้าใจทุกวัดอยู่ทุกวัดเพราะว่าทุกวัดก็ส่วนมากก็จะวางแผนกันแต่เรื่องทำไงจะได้เงินกันอะไมันก็เลยเกรียวไป ติดกับดักโลกไปก็เลยต้องต้องวุ่นกันอยู่กับเต่อเรื่องนั้นโดยที่ไม่ได้ทำในสิ่งนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่ของของของศาสนาเราอเราไปมองเรื่องนั้น <c oughs> อย่างธรรมกายก็ ได้ทายไว้แล้วตั้งนานนะว่าต่อไปก็จะต้องจบด้วยเรื่องเงินในที่สุดก็เป็นจริงอย่างนั้นถือไปเล่นกับมันไม่ได้ของโปรนี่ <c oughs> <c oughs> อย่างวัดที่ประชุมสมัชชาสองวัดสุดทาวาสนี่ก็ในงานก็ท่านติดหนี้อยู่ล้านหกแสนเข้ามาเหมือนกัน เ็ น, นลครับต้องประกาศทีนี่ปีนี้ผมก็ถือว่าช่วยไปกับเขาด้วยเพราะว่าในที่ประชุมใหญ่เนี่ยลงมติว่าผมต้องเป็นประธานกองทุนหาเพรา ะ, ะโลกเขาไบสมมุติว่ามหาปสันหาเงินเก่งมันเลยหมดความไม้เลยชีวิต ความเป็นพระความหมายซึ่งปกติแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ <c oughs> ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ก็อยู่เงียบยบของเราแต่โลกเขาไปสมมุติจากข้างนอกก็ เ, เลยให้ตั้งให้เป็นประธานหาทุนก็ โลงมันไปสมมุติกันขาวาข้ของสมัชชาซึ่งสุดทาว่านงานงานทุกงานในอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องยกให้ใ ห, ให้ผมเป็นผู้เ <c oughs> ขาบอกว่ามหาประสานพูดแล้วได้เงิน ม, มันเป็นเราก็ไม่ได้พูดถึงเงินนะครับพูดธรรมะให้คนฟังแค่เป็นอย่างนั้ น, น, นก็เลย ทำให้เสียพระไปใมเสียเสียความหมายซึ่งเราไม่เคยเดินทางนี้เ็าเดินใ่เรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้เขาก็สรุปไปอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสิ่งที่น่าอับอายในสายตาของพุทธเจ้า เราต้องคอยดูสายตาพระพุทธเจ้าเป็นหลักโลกมันมันน่ากลัวนะายกนะอย่างวัดในเมืองไทยนี่ก็สรุปแล้วว่าห้าปีนี้หมดเลยศาสนาพุทธพระเจ้าพระสงค์หมดค่าหมดความหมายเขาวางไว้อีกห้าปีก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ก็เป็นไปตามบางอย่างเราทำเราเองบางอย่างคนอื่นทำเป็นอย่างนั้นที่นีศาสนาพอมาสู่อเมริกาก็ยังยังเอารูปแบบเดิมมาเปรียณีอะไรมากมายก็เป็นเรื่องที่รู้แล้วต้องวางรู้ว่าไม่ได้ คิดว่าไม่ได้เห็นว่าไม่ได้ต้องเติมงงูไปใ <c oughs> นงานทุกข์กวนไหวก็วางไปงั้นก็วางไว้โลกส่วนโลกเขาส่วนเขาเราส่วนเราธรรมชาติโลกธรรมชาติเขาธรรมชาติเราเราก็เร่งภาวนาให้ให้หลุดพ้นไปสุดท้ายต้องเวลาภาวนาต้อง ให้ได้สุดท้ายที่นี่ไม่ต้องรอที่อื่นเพราะหลักการภาวนาการศึกษารามต้องที่นี่ทานข้าวเ ข, เ ข, เขต้องอิ่มตรงนั้นน่ะภาวนาก็ต้องให้ได้ตรงนั้นกาเรียนรู้กันเพราะว่าหลักการภาวนาก็มีมากมายเพลินเงินนั้ น, <c oughs> น, นเอาไปก็ถวายพระอาจารย์แล้ว โยมจะฟุ้งซ่านไปดับไม่ลงเพราะว่าจิตสมาสติต้องแรงถึงจะดับความฟุ้งซ่านได้ที่มันปรุงบางทีภาวนาทั้งวันไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้โครงการนั้นโครงการนี้โนนนี่นั่นไปมันไม่สามารถอยู่ที่ลมหายใจสุดท้ายได้ รู้สุดท้ายลมหายใจสุดท้ายาต้องให้ให้สุดท้ายไปความคิดสุดท้ายาต้องจับให้ได้ เ, เราก็จะไม่ต้องถ้าสุดท้ายได้ก็ก็จบในเรื่องความคิดในวันนั้นไปกราบพระอาจารย์ที่ครูสติก็ไม่ได้ตั้งใจไป แสดงทำไปกราบพระอาจารย์เฉยๆพระอาจารย์ก็ให้โอกาส <c oughs> โยมก็ปฏิบัติกันมาสิบกวาา่าวันเรตั้งคำถามไปตอบไม่ได้เลยสอบตกหมดหความคิดถามทุกคนว่าอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย ความคิดเนี่ยเป็นตัวที่ร้ายเพราะว่าตะสงสารก็มาจากความคิดเนี่ยนะเราจะจัดการยังไงครับความคิดให้ได้ความคิดให้ได้ดได น, นั้นที่เรามาต้องยกมือสร้างจังหวะมาเจริญภาวนากันก็เพื่อให้ทันต่อความคิดฟังความคิดให้ได้ใช้ความคิดให้เป็นจนจน ว่าว่าตัวสำคัญใจเป็นใหญ่ก็คือใจที่คิดนั่นเองนั้นตราบใดที่เรายังไม่จบที่รู้ไม่จบที่เจตตัวนี้นก็ลาบากอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะความคิดมันปรุงแต่งมันยึดอย่างเรามาอยู่ที่นี่ก็เมื่อมาภาวนาแล้วก็เรื่องอื่นก็หมดความหมาย เรื่องอาหารเรื่องที่นอนเรื่องอะไรมันไม่มีความหมายเลยเพราะเราเอาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องใหญ่นก็นเลยมเมื่อมีผู้ภาวนาก็จะเลยไม่ต้องมีความกังวลอะไรเพราะมาภาวนาเรียว่ากับภาวนาจะได้ผลดีก็คือเรื่องปัจจัยสี่ลำบากสุดๆนั้นเน่สมัยหลวงพ่อคำเขียนภาวนาพายมภาวนา ในช่วงหนึ่งต้องเอาโจกแหนมาต้มเป็นอาหารไม่มีข้าวทานช่วงนั้นภาวนาดีมากเกิดในด้สภาวะกันเยอะมากแต่ทุกวันอาหารอย่างดีไม่มีอะไรเลยได้แค่วิธีการแต่ไม่ได้สภาวะเป็นอย่างนั้นนั่นอย่างเมืองไทยแต่ละสำนักตาหนังเลนังเจ้าภาพสร้าง สามร้อยล้านเลยลงทุนสร้างคนเดียวสวยงามโอ้ดีอย่างครุสติค ร, ครุสตินี่ก็สวยงามมากดีมากทําลงทุนมากอืมสวยงามทุกอย่างที่สวยงามแต่ในความสวยงามนั้นก็ซ่อนไว้ซึ่งโทษทุกมากมายอมืมากมาย ผู้ปฏิบัติก็จะไม่ค่อยได้ผลความลําบากนั่นอะไรที่ไม่พร้อมนั่นน่ยใจเราจะมันจะผุดเรียกร้องมาไอตัวเรียกร้องนั่นน่ยที่เราจะต้องทําลายเพราะจิตของเรามันเรียกร้องโหยหาต้องการโ น, นนี่นั่นมากมายเหลือเกินตัวนี้เป็นตัวอันตรายนั่เราส่วนคนส่วนมากไม่รู้ว่า ขาเรามีมีน้ำหักคาอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ยอมถอนน้ำนั้นก็ได้แต่บน่นนะ ใ, ใ, ใจคนที่ยังมีน้ำแห่งกิเลสหักคาอยู่คำพูดก็จะมีแต่บน่นมีแต่ตำหนินั่นว่านั่นว่านี่เพราะว่ามันเกิดความเจ็บปวดทางเจ็ตใจ เราก็ต้องทำหน้าที่เอาน้ำที่หักคาอยู่นั้นออกไปให้หมดจากจิตใจเราให้ได้นั่นคือหน้าที่ของพวกเราทวายประจานโตพระพุท <c oughs> บคุณครับ <c oughs>